โกสเรนียลสนับสดุนโดยวินเดอร์กัสก้าฝากง่ายจ่ายคล่องการันตีการเงินร้อนเปอร์เซ็ต์โรนเจมี่บินได้ไกลเป็นกิโลนาน23นาทีมีกล้อง 4K และระบบติดตามอัตโนมัติมาพร้อมเซ็นเซอร์กันชนและแอปภาษาไทยถ้าคุณดงไม่ได้ให้โรนเจมี่เนแทนนะครับ สอบถามเพิ่มเติมที่เพจปลายอิดาวหรือโทร0846694444นกครับเดี๋ยวเรามาต่อการที่เรื่องของคุณบอยคุณบอยฉีดปลวกครับวันนี้คุณบอยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เฝ้าคุณย่าอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าของที่ถูกลืม เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้ดูจากเวลานะครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ําคืนวันนี้ครับสําหรับ The Ghost Radio ของเรารแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยมาลุยกันต่อเลยครับสําหรับเรื่องต่อไปของเราครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊ค <นะ S 2> ครับผมคุณบอยสบายดีนะผมก็รักอยากสบายดียครับอย่างสบาย ยังสบายดีนี่คือยังไงอะ่ะนายก่อนหน้านี้ไม่สบายหรือว่าไงก็หนาวๆร้อนๆนะพี่เพราะว่าผมออกต่างจังหวัดบ่อยอ๋อมีงานที่ต้องออกต่างจังหวัดบ่อยนะใช่ใช่ครับแล้วนี่โทรมาจากที่ไหนเ อ, อ่าผมโทรมาจากตาพราวครับจชลบุรีคือจากที่ห้องที่คอนโดผมเลยอ๋อโอเคคือตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดยังครับเดี๋ยวออกกันเช้ามืดพรุ่งนี้ ไปจังหวัดไหนฮะเนี่ยไปปราจีนบุรีครับโอบ้ไปปราจีนเนาะโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาค่อยอวยพรกันในเะรื่องของการเดินทางมาว่างถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักโอ้โหเอาน่าจะน่าจะเจ็ดปีเจ็ดถึงแปดปีประมาณนี้แหะครับ อ, อ๋อเจ็ดถึงแปดปีใช่นานๆเหมือนกันอืมที่โรงพยาบาลที่หนึ่งใน ในจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณบอยไม่อยากจะระบุชื่อจังหวัดใช่ครับถ้าระบุะปไ ป, ไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้ยมันอาจจะมีที่เดียวอาจจะเป็นที่เฉพาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่โอเคชื่อเรื่องน่าสนใจครับของที่ถูกลืมเรื่องนี้ครับผมเป็นยัางไงครคุณบอยเชนะิญฮะเอ่อถ้าย้อนกลับไปจ็ถึง8ปีเนี่ยคืออ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องพายญาไปผ่าปัดตาครับ ผาตาัดตาซึ่งย่าผมเนี่ยเขาเป็นต้อเนือต้อเนือทั้งสองข้างเลยทีนี้เนี่ยคือมันมีโครงการในการผ่าตาัดตาฟรีนะครับซึ่งถ้าบอกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลก็จะมีน้อยลงถูกบีแใหน้อยลงว่าเขา้าร่วมโครงการในการผ่าตาัดผ่าตัดต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยฟรีนะครับก็เลยไปกันผมผมกับเอกย่าสองคนนะฮะซึ่งทางโรงพยาบาล น, นะเขาจะมีรถรถมารับไปครับนะครับเราไปที่โรงพยาบาลนี้ ปรากฏแล้วก็หลังจากที่ผ่าตัดตาอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีเนี้ยย่าผมเขาผ่าทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วเขาจะต้องใส่ไอตัวที่ครอบออครอบดวงตาครั บ, รบทั้งสองข้างทีนี้หมอว่าด้วยความที่ว่าย่าผมเขาอายุมากอืแล้วกลัวมันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็เลยแบบเออให้อยู่ก่อนอยูดูอาการกอนสักคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาว่างไป เอแต่ละคนที่มาผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยคือผ่าเสร็จก็ก็สามารถกลับดกลับบ้านได้เลยแต่ทีเนี้ยคือยาผมเป็นกรณ่นนิเคสพิเศษที่แบบว่าอยากให้ดูอาการหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยให้พักอยู่ที่โรงแรมขึ้นเพื่อตรวจอาการครับก็ไปจองห้องกันแล้วก็ไปอยู่ห้องเดี่ยวครับผมก็ไปนอนในห้องดูแลแกกันไปทานู่นทนํานี้ให้อะไรเงี้ย เออสักประมาณเย็นๆนะฮะเย็น ๆ, ๆก็รู้สึกรู้สึกวครับยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ก็บอกย่าบอกว่าเออเดี๋ยวสักพักจะไปหาข้าวกินนะ อ, อะไรเงี้ยอยากได้อะไรไหมอยากเอาของอะไรมาไว้แค่ตัวไหมเดี๋ยวจะไปแค่แป๊บเดียวนอนอยู่บนเตียงนิ่งๆก่อนอะไรเงี้ยว่างกันไปแต่บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรก็เอาของอะไรที่แบบหยิบหยิบใช้สอยประจำมาเอาไว้ใกล้ๆแกหน่อยก็ได้อเผื่อแล้วแกอยากจะใช้อะไรนู่นี้นั่ เช่นอที่ตัดเล็บอะไรอย่างแกเนี่ยนะครั บ, รบแต่จองไว้ไกลๆอยอ่ก็นั่งสักพักหนึ่งนะครับประมาณเกือบสองทุ่มนะผมก็เลยโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาทีนึงแกก็โอเคผมก็เดินออกไปครับอบรรยากาศโรงพยาบาลอันนี้ผมไม่รู้นะว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือพอหลังจากที่ผมเปิดตัวไปเนี่ยทางเดินจะเงียบมากเลย ไม่มีใครเดินไม่มีนางพยาบาลเดินเลยครับมันจะเงียบมากแล้วผมอมป้าผมเอ่ย่าผมเนี่ยมาพักแค่ห้องเดียวเลยอันนี่คิดในใจนะอนี่นะเพราะมันเงียบมากแม้แต่นางพยาบาลก็ยังไม่มีเดินไม่ครับซึ่งมันแตกต่างจากโรงพยาบาลในกรุงเทพเยอะมากนะครับก็ก็เดินไปทีเนี้ยผมเปิดประตูออกไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาทางลิฟต์เนี่ยมันจะอยู่ด้านขวามือของตัวห้องซึ่งก็ไกลหน่อยครับ ก็เดินไปก็เดินไปสักพักก็เห็นละเห็นลิฟอยู่ข้างหน้าแอ้อแต่อยู่ดีๆลิฟมันเปิดออกเราโอเคมาพอดีเลยก็เดี๋ยวจะไปไปกดเพื่อเปิดแล้วผมก็จะได้ไปต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเดินไปสักพักคือเดินและก็เร่งความเร็วไปสะพักผมต้องหยุดชะงักออเสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันเป็นรถเข็นคันหนึ่งคือมันเป็นรถเข็นผู้ป่วย เป็นไม่ใช่รถเข็นเนี่ยคือมันเป็นเตียงเตียงเตียงที่มีล้ออ่าอ่าโอเคโอเคใครับถ้าเป็นรถเข็นเนี่ยเราจะนึกถึงวิลแชร์แต่นี้ไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ช่ผมระบุผิดไปคือมันเป็นเตียงผู้ป่วยอ่ามันถูกเข็นออกมาจากรถอต่จากในลิฟต์พอดีอ่อ่อ่าแต่ไม่ได้เข็นออกมาพวดเดียวนะครับอืค่อยๆเข็นออกมาอืมค่อยๆยื่นออกมาจากลิฟต์ผมก็ผมก็หยุดชะงักแล้วก็ยืนดูคือจาก จุดที่ผมยืนเนี่ยออืกันลิฟต์มันค่อนค่อนข้างที่จะไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับนะครับทางเดินเยมันก็ไม่ได้กว้างฉะนั้นทางเดินมันจะแคบแทบผมก็จะเห็นแค่แค่มันเป็นเหมือนเป็นปลายเตียงที่มันโผล่เป็นปลายเตียงที่มันเป็นท่อเหล็กครับครับแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราอยู่ข้างๆของลิฟถูกไหมฮะถูกเลยครับเท่ากับว่าอ่เตียงเนี่ยมันจะค่อยๆโผล่มาจากประตูซึ่งเราจะเห็นข้างๆ ใช่ครับอราจะเห็นข้างข้าโอเคอ่าอแล้วมันค่อยๆยืนออกมายืดออกมานะครับสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยคือเป็นขาคนเป็นขาคนที่มันเป็นเป็นเป็นผ้าห่มครับผ้าห่มคุมปลายเท้าไว้แล้วปลายเท้าชี้ตั้งขึ้นมาอ่าอแล้วก็เขาเลื่องไหม่ทีลนิดทีละนิคือผมสงสัยว่าทําไมเขาไม่เข็นออกมาเลยอ่าคือมันเข็นช้าผิดปกติใช่คือถ้าเป็นการเข็น แนวแนวเนี้ยมันจะต้องเข็นพรวดออกมาใช่ครับถูกนะ<ช>เพื่อเพื่อที่ให้พ้นจากลิฟให้เร็วที่สุดใช่เลยพี่คือเขาค่อยๆเข็ขอเขนออกมาค่อยๆเข็นออกมาแต่ทับีทําไ ม, า ไ, มไม่พรวดเดียวออกมาเลยก็สงสัยแล้วก็ยืนนิ่งออืสักพักหนึ่งคือค่อยๆออกมาอีกนิดนึงอีกนิ่งคราวนี้มันเป็นเริ่มเริ่มเป็นขาคนออืนะครับเป็นขาคนแบบเล็กๆอ่ะครับแล้วไอ้ผ้าคือเปิดเป็นผ้าห่มที่กุมกบวยครับ เออผมเริ่มสังเกตว่ามันเป็นผ้าที่มันเริ่มเก่า ม, มันเก่าแล้วมันก็เริ่มสกรปรกอเออก็เริ่มตกใจล้วคราวนี้เริ่มรู้สึกมีความรู้สึกกับตัวเองว่าไม่ดีแล้วอันนี้มันเป็นสองกรณีแล้วนะกรณีแรกคือเบาหน่อยเป็นผู้ป่วยกรณีที่สองคือเข็นศพ <c oughs> เลยเออตอนนี้มันต้องรุ้นแล้วว่าถ้ามันพ้นลิฟต์ออกมาเนี่ยเป็นผู้ป่วยหรือว่าศพถูก ปรากฏว่าคืออด้วยความรู้สึกของตัวผมเองอะนะมันมันมีความรู้สึกในใจว่าเออมันไม่ปลอดภัยแล้วไม่กลัวจะไปแล้วผมก็เลยหันหลังไปด้วยความเร็วด้วยความตกใจนะพี่นะปรากฏว่าตัวตัวผมเองอะมันไปกระแทกกับไอ้รถเข็นอะคราไปเจอนางพยาบาลคนหนึ่งทือเขากําลังเข็นเพี่เคยเห็นไอ้ไอ้ไอตู้เข็นเล็กๆไหมครับพี่นางพยาบาลส่วนใหญ่ที่เข็นเนี่ยบนตู้เข็นเล็กๆมันจะมีพวกพวกยาพวก เครื่องตรวจความดันอะรเคืออะที่นางใบบานใช่จะต้องเดินไปตามห้องต่างๆเพื่อตรวจครับอ่าก็ตกใจนางใบบานก็ก็ก็ไม่ได้ร้องวีดไว้อะไรนะพี่เขก็นิ่งๆโอ๊ยเขาโทษครับเขาตกใจเขาโทษครับขอกเงี้ยเออเอออะไรหล่นอะไรอย่างงี้อะไรหรือเปล่าเงี้ยครับก็เขาก็เขาก็สายหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่าเออคุณจะรีบไปไหนอืมนางใบบานถามผมนะพี่บอกว่าคุณจะรีบไปไหน อผมก็ตกใจผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรหันไปที น, นปรากฏว่าเตียงไม่มีแล้วอืเ hmm. ตียงที่ถูกยื่นออกมานอกลิบอะไม่มีแล้วครับนะครับแล้วก็หันไปดูทางโรงพาบาลอีกทีทางโรงพยาบาลเขาก็มองมองไปตามตามทางที่ผมมองไปที่ริบ hmm. เขาบอกคุณมองอะไรเหรอ hmm. ก็ไม่มีอะไรหี่ดูเหมือนคุณตกใจอะไรสักอย่างคีออะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคราับ น, นี่นั่นผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าอ ไปยังที่มันเข็นออกมาจากลิบอะมันคืออะไรกันแน่ออืก็เลยเดินเข้าไปพยายามคุมสติแล้วก็เดินไปจริงเดินไปอีกนิด น, นึงเพื่อให้เห็นตรงลิบซึ่งลิบ ป, ประตูยังเปิดอยู่นะพี่ครับพอเดินไปอีกนิด น, นึงปรากฏว่าก่อนที่ลิบจะปิดอ่าผมว่าผมตาไม่ฝาดอะแน่ๆเลยคือผมเห็นคุณตาอยู่คนหนึ่งครับนะครับเขายือนอยู่ตรงขอบขอบประตูลิบอะพี่อือซึ่ง ผมสงสัยว่าตรงขอบประตูลิฟต์นั่นแนหะคือปกติมันจะเป็นตัวแป้นสําหรับกดตามชั้นต่งตางๆครับอ่าคุณตาเขายืนจุดตรงนั้นนะครับแต่ที่มันผิดปกติคือคุณตาเขามองมาทางผมอืมนะแต่ตาเขาอะไม่มีแววตาอืทั้งสองข้างดวงตาเขเป็นสีขาวจ๊วงเลยและลิฟต์ก็เขาปิดไปตามพกปิดเลยผมตกใจขนลุกตั้งแต่ ตั้งแต่เท้าจนถึงยันหัวอะไรเงี้ยแล้วก็รีบหันมาเพราะว่าเนี่ยเนียเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นเตียงเนี่ยมันเข็นออกมาปรากฏว่าหันใบทีแล้วมันไม่มีแล้วผมไม่เจอใครไม่รู้เนี่ยเนี่ยอยู่ในลิฟต์เนี่ยครับพยาบาลก็บอกว่าอใครเหรอไม่มีมั้งเนี่ยก็ก็ดูอยู่มันก็ไม่มีนี่ครับอย่างเงี้ยมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรช่วยไหมคุณอยู่ห้องไหนญาติมาเยี่ยมญาติหรืออะไรอย่างีหรือเปล่าครับผมก็บอกว่าเออ เลยหรือว่าเราคิดไปเองแต่ที่ภาพนี่มันเห็นมันเห็นชัดมากด้วยความที่แบบไม่อยากจะไม่อยากจะให้เรื่องมันยาวก็เลยโอเคครับไม่เป็นไรงั้นงั้นมก็ขอโทษทีครับที่คนผวก็เลยถอยออกมาแล้วก็จะกลับที่ห้องจู่ๆหนังโรงพยาบาลก็บอกว่าอืมแต่จริงๆก็เคยมีคนเห็นนะอืาอ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าวอาวตอต่อจริงๆก็เคยมีคนเห็นนะผมก็ หยุดเลยสักหนักแล้วก็ยียนฟังเขาาบอกว่าเอาตรงเนี้ยเคยมีคุณตาคนหนึง่งมาช็อกและตายอยู่ตรงนี้นั่นไงามาช็อกและตายอยู่ตรงนี้แต่นั่งพยาบาลที่เขาพูดนี่คือคือเขาไม่ได้หันมามองหน้าผมครับ <c oughs> เขาหันหลังให้ผมแล้วก็พูดบอกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือมีคุณตามาล้มคือ ช็อกอ่ะหัวใจล้มเหลวทันทันแล้วก็เสียชีวิตที่ตรงนี้ผมก็ถามอ้าวแล้วทําไมเขาเป็นอะไรล่ะครับเขาบอกว่าคุณตาเนี้กำลังจะได้รับ ก, การผ่าตัดแล้วคุณตาเขาไม่อยากผ่าตัดเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขายังไอาย่มากการผ่าตัดเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อเขาซึ่งก็คงอาจจะแบบผ่าตัดละอาจจะไม่เหมือนเดิมครับอาจจะ หลังจากผ่กาตัดแล้วอาจจะเป็นผักหรืออาจจะแบบเสียชีวิตไปเลยอะไรเงี้ยเขากลัวด้วยความตกใจก็พยายามดินด้นพยายามดิ้นแล้วก็ตกก็ช็อกหัวใจวายนั่งพยาบาลก็แบบทุกคนก็มาช่วยซีพทําอะไรอย่างเงี้ยปั๊มหัวใจปรากฏก็ไม่ขึ้นแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยออืตรงหน้าริฟต์อย่างเงี้ยเยบอ ก, บ อ, กอืีอกแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่านะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครับแล้วเขาก็ค่อยๆเห็นไอ้ไอ้ไ ไอ้ตู้ครับตู้เรื่อนที่มันขี่แต่ ย, ยาเนี่ยเข็นไปเรื่อยๆตามห้องต่างๆซึ่งเข็นไปตามยาวพี่แต่เขาไม่ได้เข้าห้องม่อะไระผมก็ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่ามันปแปลกๆ <c oughs> ไงแปลกๆไม่มีอารมณ์แล้วเริ่มกลัวเริ่มอะไรแล้วแล้วก็ไม่อยากเข้าลิฟต์ตัวนั้นด้วยเ<ะ>ดี๋ยวไปเจอแจ็กท็อตอะไรในลิฟต์ก็เลยเดินกลับมาที่ห้องแล้วกแล้วก็กลับมาที่ห้องก็ไม่ได้กินข้าวแล้วก็เข้าไปหายาครับยาก็นอนหลับอยู่ ยากระถางเรากินข้าอะไรอะไร ม, มาต้างบอกผ ม, มออกกินแล้วก็เลยไม่ได้ทําอะไรหลังจากคืนนั้นก็คือประมาณสองทุ่มออ ก, กว่าแล้วก็สามทุ่มผมก็าอาบน้ําแล้วก็เข้านอนเลยครับพ <c oughs> ล้วก็จะออกมหมอก็จะมาตรวจเช้าครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเขาจะได้กลับเลยปรากฏว่าพอนอนเสร็จมันมันอยู่ในพวังเลยพี่ <c oughs> รู้สึกว่านอนแล้วฝันไปครับ <c oughs> ในความฝันเนี่ย จุดดีๆคือประตูหน้าห้องที่ญ้าผมพักเนี่ยเขาเปิดออกอค่อยๆเปิดออกนะครับแล้วผมได้ยินเสียงคนแก่คนหนึับเรียกไอ้นุ่มไมอ้ไนุ่อไอ้นุ่มตื่นก่อนไอ้นุ่มพวกเนี้ยผู้หญิงผู้ชายตอนนั้นที่เราผู้ชายครเป็นปผู้ชายเ อ, อเป็นเสียงเสียงคนแก่ๆครับครับไอ้นุ่มตื่นก่อนตื่นก่อนไนอ้นุ่มอ๋ะในฝันเนี้ยผมก็สลุมสลือแล้วตื่นขึ้นมา ก็รู้สึกว่าใครมาเรียกก็หันไปดูที่ประตูปรากฏว่าเป็นคุณตาคนนั้นนหละที่อยู่ในลิฟที่ผมเห็นเขาไมา่อยู่อยู่หน้าประตูทางออกของห้องแล้วบอกว่าแล้วก็พูดประมาณว่าไอ้นุ่มไอ้นุ่มตื่นก่อนอ ม, มากาตาแป๊บนึองมาระตาแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยในฝันเนี่ยปากแกไม่ขยับนะพี่แต่ผมยิ้นเสียงยิ้นเสียงอยู่ในหัวมากาตาแป๊บหนึ่งมากตาแป๊บหนึ่ง ออืแล้วเขาก็ค่อยๆหันหันไปทางหันไปทางขวา ม, มือผมแต่น่าจะเป็นซ้ายมือของเขาอะ่ะครับแล้วก็เดินหายไปเออในฝันผมไม่รู้คิดอะไรอยู่นะผมค่อยๆลุกนะครั บ, รบแล้วก็เดินออกมาจากห้องออืพี่ในจังหวัดที่เดินออกมาจากห้องเนี่ย ค, คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยในความฝันเนี่ยคืออเ อ, อ ตรงพื้นทางเดินของทางโรงพยาบาลหรือแม้แต่กระแพงรหรือแม้แต่อะไรทุกๆอย่างเปลี่ยนไปหมดอืพื้นร่อนกําแพงแตกแล้วสีอะไรต่างๆนานาก็ค่อยๆแตกเหมืมันร่อนนะพี่สีมันล่อนฉักที่ทายอยู่แล้วจิ่นขึ้นในฝันนะผมรู้สึกว่าผมได้กิ่มันกินมันกินอับๆกลินทึมๆอึง้งๆยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ห่างไปปรากฏว่าผมก็จะไปเจอคุณตาเดินนําผมไปแล้ว เดินนําไปออสองข้างทางตรงทางเดินของของของชั้นนั่นนะครับก<อ>็จะเป็นห้องซอยไปแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีคือห้องห้องผู้ห้องพักเนี่ยห้องพักผู้ป่วยแต่ละห้องมันจะมีกระจกเล็กๆออืนะฮะพี่พี่ในภาพออกนะครับเป็นกระจกเล็ ก, ลกๆซึ่งกระจกแต่ละบานเนี่ยมันแตกบางบางห้องก็เล้าวเงี้ยแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ปรากฏว่าพอเดินตรงไปเรื่อยๆผมจําได้ว่าก่อนถึงลิบอะไอ้ด้านขวามันเป็นกําแพงยาวแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่กระแพงแล้วมันกลายเป็นห้องกระจกออซึ่งมันเป็นกระจกที่แบบกระจกครึ่งครึ่งท่อนนะพี่กระจกครึ่งหนึ่งแล้วข้างล่างก็จะเป็นปูนนะครับแล้วมันแต่มันเป็นกระจกที่แบบมันกระจกยาวเลยอออืแล้วกระจกขุ่นมัวแล้วก็มีรอยแตกผมหันมองเข้าไปในห้องนั้นอะคือห้องนั้นไม่มีอะไรเลยนะพี่มีแค่เตียงผู้ป่วยออื เตียงเดียวแล้วมีเครื่องแบบเครื่องช่วยหายใจมีเครื่องอ่าเครื่องอะไรไหนเครื่องตรวจชีพจรแล้วก็สายน้ำเกลือระยงระยางไปที่เตียงหมดเลยครับแต่บนเตียงไม่มีใครไม่มีผู้ป่วยนอนอยู่ในห้องมีมีทั้งตู้เก็บเอกสารอืมอ่าแต่ตู้เสียบเก็บเอกสารเนี้เอกสารมันหล่นลงมาเต็มพื้นไปหมดเลยครับแล้วก็ทังมีขยะมีอะไรระยงระยางเต็ไมไปหมด คือในห้องนั้นมืดแต่ถามว่าที่ผมเห็นได้เพราะว่าตรงทางเดิน่ะมันมีแสงไฟทีลี่อยู่และแสงไฟมันสะท้นเข้าไปในห้องครับมันทําให้ผมเห็นภาพว่าเออมีห้องนี้มันมีอะไรนะมีอะไรนะนี่นั่นะมันมีเตียงอยู่เตียงเดียวเป็นเตียงที่ไม่มีผู้ป่วยอยู่ครับแล้วก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ช่วยทุกๆอย่างอยู่แค่นั้นคุณตาเนี่ยเขาในฝันไอ้คุณตาเขายี่ยวกหน้าห้องนั้นออืนะครับแล้วก็ชี้ม า, มาในห้องบอไอ้นุม่ม มานี่สิอืมมาในห้องนี้สิมาด้ยวยกัน<ม>อืมเออทีเนี้ยคือผมคันหลังไปปรากฏว่าคือมันก็มองอะไรไม่เห็นแล้วข้างหลังมันเหมือนมันมืดไล่าตามหลังมาครับมีอยู่ทางเดียวคือผมก็ต้องเดินไปข้างน้านะครับ<ม>ตาเข้าไปในห้องนั้นละ<ม>ผมก็ค่อยเดินเข้าไปเดินเข้าไปปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องเนี้ยคุณตาเขาหายไปอออืมืมคุณตาเขาหายไปแล้วผมอยู่ในห้อง ซึ่งมันมีเตียงคือเตียงเก่าๆอะพี่ครับ<ๆ>เตียงเก่าๆผมก็คอยพิจารณาแต่เห็นอะไรสักอย่างนึงที่มันอยู่ใต้เตียงอ่ะอืมแต่มันยังเห็นไม่ชัดในจังหวะที่กําลังจะก้มดูเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะคุณตาเขาไปยีนอยู่ข้างผมครับแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นผมก็ตกใจแบบเฉดตัวออกมาด้วยความตกใจเห็นคุณตาที่ยืนอยู่ตรงนั้น่ะ แล้วก็หันมามองหน้าผมที่สายตาที่คุณตาเขามองมาหาผมเนี่ยคือมันเป็นสายตาเดียวกับที่ที่ผมเจอตาคนนี้มาอยู่ในลิฟต์แล้วมองหน้าผมมาเพราะเาก็ตกใจตาขาวแล้วก็บอกว่านี่ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะอินดุมไม่มีใครเห็นเลยเก็บให้ผมนะสิเก็บให้หน่อยสิเก็บให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูนะ เข้าไปใต้เตียงปรากฏว่าในใต้เตียงเนะ่ะผมไปเจอล็อกเก็ตอันหนึ่งพี่เป็นล็อกเก็ตใช่ครับมันเป็นล็อกเก็ตอันหนึ่งซึ่งเป็นล็อกเก็ตเงินแล้วก็มีคือเป็นล็อกเก็ตที่แบบสวมคอ อ, อ, ออ๋ออเออมันอยู่ใต้เตียงครับแล้วมันวาววาวาเพราะมันมีแสงสะท้อนอยู่แล้วก็ไอ้นุม่มเก็บให้หน่อยสิอไม่มีใครเห็นเลยแล้วสักพักหนึ่งคืออยู่ดีๆตาเขาก็เริ่มสะอื้นขึ้นมาครับแล้วก็ก็เริ่มร้องไห้คือร้องไห้ไม่ได้หนักนะพี่ เ่อยๆอื่นแล้วก็ร้องแบบเหมืนอนยู่ในคออืมยู่ดีๆเขาก็ตะโกนใส่หน้าผมว่าเป็นพอมันคนเดียวครับเป็นพอมันคนเดียวทั้งนั้นแหละมันคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยอืมผมตกใจแล้วก็ตื่นจากระวังคเพราะกลัวว่าก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องเลยนะพี่แล้วพอตื่นขึ้นมาในห้องเนี่ยคือผมรู้สึกได้เลยว่าไอประตูห้องอ่ะมันเพิ่งติดคพลิภภาพออกไห คือผมหลังจากผมตื่นมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ประตูห้องที่มันอยู่หน้าหน้าห้องอมันปิดพอดีเลยครับพอปิดพอดีเสร็จผมก็ตกจากั้หันไปมองตรงตรงทางออกของห้องออืเออย่าผมนั่งอยู่ครับนั่งอยู่บนเตียงนั่งอยู่บนเตียงแกยังไม่หลับนั่งอยู่บนเตียงอผมก็เอานาฬิกามาดูปรากฏว่ามันเป็นเวลาประมาณตีห้าครหน่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ก็หันไปคุยคุยกับย่าผ ม, มานะบอกว่าเอา้า ไม่นอนหรอตื่นเร็วจังเป็นอะไรเป็นอะไรก็อเอาอะไรหรือเปล่าบอกตาตาเปล่าอยูอยอย่ตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมีคุณตาคนหนึ่งมานั่งคุยเป็นเพื่อนอืมมานั่งคุยเป็นเพื่อนอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งออกไปเขาก็คุยสนุกดีนะคือแล้วเขาถามหาหล า, านสาวเขาอยู่ uh. ว่าหลานสาวเขาอยู่ไหนแล้วก็ไปเ น, นี่ยผมว่าโอ้ oh, ตกใจเลคือ คือนั่งประมวลผลกับตัวเองว่าสิ่งที่เจอคืออะไรกันแน่ครับครับนะครับ ง, งงไปหมดเลยก็หลังจากนั้นประมาณสักหกโมงหกโมง ก, กว่า<ม>คุณหมอก็เข้ามาแล้วก็มาตรวจอาการแล้วก็เช็คดวงตาเช็คอะไรแล้วก็เปิดไในฝาครอบดวงตาสองค้างอะไรย่าลองเปิดตาดูก็<ม>โอเคครับก็ยาก็บอกว่าโอเคดองปกตินู่นนี้นั่นไม่ได้รู้สึกอะไรอ<ม>โอเคกลับบ้าน<ม>ได้ก็หลังจากนั้นคือเราก็เก็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกระเป๋าแล้วก็ออกจาก ห้องนั้นครับตรงทางเดินเนี่ยผมเดินไปกับย่านะครับซึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เหมือนจากที่ผมฝันครับด้านซ้ายก็จะมีวอร์ดนะฮะเป็นวอร์ดอยู่เอ่อผมเดินเข้าไปเพื่อจะไปติดต่อกับหัวหน้าพยาบาลนะครับปรากฏว่าพอผมเดินเข้าไปเนี่ยอยู่ดีๆมันทำให้ผมเห็นอะไรบางอย่างคือบนโต๊ะมันมีล็อกเกตอยู่อันนึ่ง มันมีล็อกเก็ตอยู่วันนึ่งซึ่งวางอยู่อยู่ในวอร์ดห้องบอร์ดนะพี่แล้วมันมีล็อกเก็ตอันเนี้ยวางอยู่อืใกล้ๆกับเอกสารอะไรหลายๆอยา<ะ>่างฮผมก็มองครับผมก็รู้รสึกว่าเออล็อกเก็ตนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเราเห็นอยู่ในฝันเลยผมบอกว่าเออผมมาติดต่อครับติดต่อว่าเออจะไปลงรับยาอะไรตรงไหนอะไรยังไงครับครับหัวหนา้าพยาบาลเขาก็อมาแล้วก็บอกแล้วก็เซตเอกสารนู่นนี่นั่นให้นะครับ แล้วผมก็เลยอยู่ดีผมก็ถามบอกว่าเออคุณผมถามนิดนึงได้ไหมครับล็อกเกตอันเนี้ยสวยจังเอามาจากไหนหรอออืเขาบอกว่าล็อกเกตตัวเนี้ยมันถูกเก็บได้อยู่ในห้องห้องนึงอนะฮะมันถูกเก็บได้อยู่ในห้องห้องนึงครับฮะซึ่งอน่าจะเป็นของคุณตาคนหนึ่งที่มาเสียชีวิตอยู่ที่นี่ะนะครับเมื่อเขาทําหล่นไปอะไรเงี้ยครับทีนี้อะ คือล็อกเก็ตเนี้ยก็ยังรอให้ญาติเขามาเอาอ่ะค่ะทําไมรอสนใจอยากอยากได้เหอรออะไรเงี้ยครับผมบอกเอากล่าวเขาผมถามเฉยๆเอาแล้วทําไมถึงไม่มีใครเมา็อกเก็ตไปอเขาบอกว่าอืมจริงๆแล้วเนี้ยจะติดต่อลานสาวเขาซึ่งเป็นพยาบาล ท, ที่ได้เอาเมาโลเก็ตไปแล้วอืจะปรากฏว่าลานสาวเขาเสียชีวิตไปก่อนอืออย่านะอืมอมผมบอกว่าลานสาวเสียชีวิตไปก่อนอื อ๋อใช่หลานสาวก็เป็นพยาบาลที่นี่แหละครับครับแล้วก็ดูแลอยู่ชั้นนี้ด้วยอ่านะครับเออส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการเข็นยาแล้วก็เข็นอุปกรณ์การตรวจของหมอเข้าไปตามห้องต่างๆอ่าฮะอ่าผมก็เริ่เรมเดิาวเลยเลยว่าครับผมน่าจะเชิเริ่มปฏิบัติต่อได้แล้วนะครับผมเออคือไม่ต้องดาแล้วล่ะ ถุง oh. เรว็วโอเคเขาบอกว่าเนี่ยก็รอญาต์รอญาติของของทางคุณตาเขามารับของคืนไปซึ่งตอนเนี้เขายังไม่มาติดต่ออะไรกันเลยครับเอก็ยังไม่ติดต่ออะไรเลยเอืแต่เหมือนเขาพยายามเปิดแล้วนะคือคุณหัวหน้าพยาบาลคนนี้เขาบอกเขาพยายามมาลองเปิดดูข้างในเนี่ยมันมีเอกสารเล็กๆเขาบอกข้างในมันมีเอกสารเล็กๆซึ่งเปิดออกมาดูมันกลายเป็น มันกล้เป็นเหมือนเช็งโหนดอะไรสักอย่างครับครับถูกซ่อนอยู่ในล็อกเก็ตครับอ่ะฮะแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าทําอะไรก็รอให้ติดต่อยาดซึ่งเขาแจ้งความเวลาแล้วก็รอให้ญาติเนี่ยมาดําเนินเรื่องในการ oh. เอาล็อกเก็ตนี้ไปเพราะว่ามันเป็นเอกสารสําคัญอยู่ในนั้นครับแต่ก็ยังไม่มีใครมาอืมอ่ะฮะก็ต้องปริศนาต่อไปที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยล็อกเก็ตนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นค่ะหรือมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำให้คุณตาเขาจะบอกว่าเป็นพร้อมมัน นี่แหละที่ผมกำลังจะถามต่อคือเฮ้ยมันต้องมีอะไรต่อดิที่บอกว่าเป็นเพราะมันเป็นเพราะมันคนเดียวอาาเออมันต้องมีอะไรต่อที่เกี่ยวข้องกับล็อกเก็ตอันเนี้ยล็อกเก็ตลักษณะเป็นยังไงคุณบอยโอ้โหมันเป็นล็อกเก็ตแบบวงรีอะรวงรีวงรีใหญ่ใหญ่ใหญ่ประมาณสักเท่ากับนิ้วชี้นะครัเปิดออกมาเนี่ยคือพยาบาลเขเปิดมามันมีทั้งหมดสาชั้นด้วยกัน ชั้นชั้นแรกซ้ายขวาแล้วก็อีกอีกชั้นยังเป็นชั้นกลางซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นเล็กบางๆนะครับมันแปะได้พอแปะแล้วมันเปิดออกมาข้างในเนี่ยมันจะดีเอกสารมเหมือนเป็นกระดาษเก่าๆซึ่งถูกพับไว้อยู่ข้างในครับครับผมซึ่งเป็นโฉนดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะไรบางอย่างใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆผมก็อยากถามว่าเออแล้วตกลงคือคือมันยังไงล็อกเกตนี้มันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็ ตอนน่าเสียดายไงคือเหตุการณ์เนี้ยมันล่วงเลยมาเจ็ดถึงแปดปีละใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีทางที่จะไปหาคําตอบได้แล้วว่าเฮ้ยคุณตาคนเนี้ยคุณลุงคุณเนี้ยเขากําลังเดือดร้อนอะไรเขากําลังพูดถึงอะไรหรือมันมีอะไรมากกว่าชสิ่งที่คุณบอยกําลังรู้สึกกําลังเห็นกําลังสัมผัสได้หรือเปล่าอืคื อ, อผมมันนั่งประมวลผลนะพี่ไอ้ตรง ไอตอนที่ตอนที่ผมยังไม่ได้ฝันนะที่ผมเห็นเห็นในลิฟต์อะว่าคุณตาเขายืนแล้วมองมาทางผมตาข า, ขาวๆว่ะครับผมว่าเขาไม่คงไม่ได้มองผมมั้งอาจจะมองอาจจะมองหลานสาวเขาที่อยู่ที่อยู่ข้างหลังผมเออแต่มีคําถามหนึ่งที่คุณผู้ฟังเขาถามมาคุณบอยับน่าสนใจระหว่างคุณตากับหลานสาวเขาอ่ะอันนี้เราก็ไ ม, ไม่รู้อีกว่าใครเสียก่อนใครอ๋ออา่าหลานสาวเขาเสียหลังจากคุณตา อ๋อหลังอ๋อหลังจะเอาใ ช, ใช่ใช่ใช่ชเพราะว่าทางพยาบาลยังบอกเลยว่าเนี่ยเก็บล็อกเกตนี้ได้น่าจะเป็นของคุณตาก็กําลังจะโทรไปตามหลานสาวแต่ปรากฏว่าพอโทรไปตามรู้ขา่าคือหลานสาวที่เป็นพยาบาลคนนี้เสียชีวิตแล้วเออต้องทีห ล, งหลังอู่แล้วใช่ครับออใช่ครับอ อ, อ, อคือผมสงสัยว่าตาเขาอาจจะมองหลานสาวเขาด้วยความแบบคือตาเผาขา ว, ขาวพี่แล้วจ้องมาทางและทางมันแคบเลยพี่อืมเออซึ่งผมมาอยู่ข้างหน้า ข้างหน้านางภยบาลเขาคือ <ฮะ S 2> หลานสาวเขาใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นสายตาเดียวที่มองมา <ฮะ S 2> ซึ่งก็าอาจจะมองหลานสาวเขาก็ได้ก็มีมีมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยแหละแต่เฮ้ยปิสนามันยังคงอยู่แต่มันไม่มีทางที่จะคลี่คลายแล้วเรื่องเนี้ยเพราะหนึ่งคือไม่ใช่ญาติถูกไหมไม่ใช่ญาติของลบอยแล้วก็มันใหมันล่วงเลยมาเจ็ดปดปีแล้วอ่ะมันนานไปแล้ว ใช่ครับโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันมันจบลงยังไงมันลงเอ่ยแบบไหนกับหเหตุการณ์ที่คุณบอยอยู่อยู่บังเอิญ น, นะครับเข้าไปไปเจอไปสัมผัสมาล็อกเก็ตนั้นเนี่ยที่บอกว่าตกอยู่ในห้องห้องหนึ่งก็คือห้องที่ถูกต้องเลยครับใช่หเป็นห้องที่คุณตาเน่แหละเสียชีวิตอ่าและก็เป็นห้องเดียวกับที่คุณย่าไปแอดมิห้องนั้นปะ อผมว่าน่าจะใช่ใช่ไหมมีสิทธิ์เป็นไปได้นะออทําถ้าไม่ใช่ห้องเดียวกับคุณที่คุณตาไปอยู่คุณตาไม่มีทางเข้ามาห้องนั้นได้แน่เนาะใช่ไหมพี่อ๋อก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ยี่เนี่ยตอนนั้นก็ลืมถามพยาบาลหัวหน้าพยาบาลคนนั้นว่าไปเก็บมาจากล็อกเก็ตเนี่ยมาจากที่ไหนใช่ผมแค่นึกแค่คิดก็ว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องของเราอย่ารู้ด้วยดีกว่าครั่ะถึงแม้ว่ามันจะสงสัยแบบอยากจะถามมากๆออ ก็เลยก็ถามว่าเออความเป็นมาของไอ้ล็อกเกตนี่คืออะไรอะไรเงี้ยครับเขาก็เล่าให้เล่าให้ฟังแค่พอสังเกตว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อแต่ก็ยังดีนะที่เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าเป็นตามหลักแล้วอ่ะเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะอยินดีออคุณมาถามอะไรเกี่ยวกับล็อกเกตนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว<บ>เรา<บ>เราได้เล่าให้เขาฟังไหมครับนอกจากเขาเล่าแล้วเราได้มีการแลกเปลี่ยนกันไหมเฮ้ยผมก็ฝันอย่างนี้เจอแบบนี้อืมผม ผมไม่ได้เล่านะพี่แต่หัวหน้าพยาบาลอ่ะเขาเหมือนเขาผิดสังเกตว่าทําไมเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าคุณเจออะไรหรออืมอ่าเขาพูดอย่างเงี้ยคุณเจออะไรหรอคผมก็ผมก็ไม่ได้พูดอะไรว่าออกเปล่าครับไม่มีอะไรอืมบอกแค่ไปงี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราเป็นรายแรกที่เจอเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไม่รู้ว่าเขาเรียกเรียกไอ้นุ่มไอ่นุ่มหรือจะ จะใครกี่คนมาแล้วก็ตามเขาอยากจะได้ล็อกเก็ตคืนผมว่าตามนี้เขน่าจะหวงล็อกเก็ตนี้มากเพราะมันต้องมีอะไรบางอย่างแหละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณตาพูดไว้นะครับว่าเพราะมันคนเดียวเนี่ยมันคนเนี้ยคือใครและเขาทําอะไรเอาไว้เป็นปริศนาไปเลยฮะมันคือของที่ถูกลืมโอนะครับเรื่องของล็อกเก็ตนะครับที่ ค, คุณบอยไปเจอมาตอนที่ไปเฝ้าคุณย่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อสักประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมา ตื่นเต้นอีกแล้วเรื่องนี้คุณบอยขอบคุณมากๆคฮะที่มาปิดท้ายกับพวกเราในค่ำคืนวันนี้ินดีเสมอครับนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ตีห้าเดินทางไปปราจีนบุรีอ่าใช่ครับขับรถไปเองป่ะฮะไม่ได่ครับจะมีทีมงาน อลาผมอ๋อโอเคยังไงก็เดินทางไปกลับนะครับโดยสวัสดิภาพแล้วก็งานที่จะไปทำขอให้สำเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับพี่แอนนะครับขอบคุณมากมากเลยคุณบอยขอบคุณครับพี่แจ็ครศัพท์สุภาพนะเช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับคดอะกูสเรนียสนับสโดยวเดรกัสกฝากง่าย จ่ายคองก а р а н ตีการเงินร0 0เอซ